ขอความสุขความเจริญจุมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องสมาธิิสูตรในช่วงที่ว่าด้วยภาวะวาระคือวาระที่ว่าโดยภพวันก่อนพระเถระได้พูดถึงเรื่องชาติชาติวาระและก่อนหน้านั้นก็เป็น ชรามรณะวาระจึงแสดงว่าพระเทระได้นาเอาหลักของปฏิจจสมุปบาทมาแสดงจากสายเกิดสายดับก็เรียกว่าอะไรปฏิโลมคือถอยกลับถอยกลับจากตอนปลายมาหาตอนต้นคือเรื่องของอวิชชา ดังเรื่องต้นๆเราจึงพบเรื่องอายตนะเรื่องผัสสะเรื่องเวทนาเรื่องตัณหาซึ่งก็แต่ละข้อนั้นเป็นองค์ธรรมในปฏิจจสมุปบาทที่พระพุาคเจ้าทรงพิจารณาหลังจากสัสรูเมื่อประทับอยู่ที่ต้นพระสีมาโพ เป็นเวลาถึงเจ็ดวันทรงพิจารณาโดยอนุโลมและปฏิโลมแล้วก็ฝ่ายเกิดและฝ่ายดับฝ่ายเกิดนั้นก็ฝ่ายที่ออยังหมุนวนอยู่ในสังสารวัติโดยทธิพลของอวิชชาตันหาอุปาทานและก็กรรมในช่วงนั้นก็แบ่งเป็นกิเลสกรรมวิบัติ สายดับมันก็ดับที่ตัวกิเลสคือวิชาตนาวปาทานแล้วกรรมก็ดับแล้วก็ผลต่างๆที่เรียกโวยบากก็ดับก็เข้าสู่นิโรธที่สมบูรณ์พระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าที่สมบูรณ์พระอรหันต์ก็เป็นพระอาหนที่สมบูรณ์ ในส่วนของพบนั้นก็เกิดขึ้นจากการกราบเรียนของภิกษุทั้งหลายเช่นเคยภิกษุทั้งหลายได้กราบเรียนถามว่าแต่ท้าขอรับยังมีเหตุอย่างอื่นอีกบ้างไหมท่านทัสพระสารีบุตรก็ตอบว่ายังคงมีท่านทั้งหลายและได้กล่าวว่า โดยเหตุตียยระยะสาวกรู้ชัดซึ่งพบเพศเกิดเทศให้เกิดพบความดับแผ่งพบและข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับแผ่งพบก็โดยเหตุเพียงเท่าเนี้พิะสูเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นชอบมีความเห็นสูง ประกอบด้วยความเลื่อมใสในพระสัทธรรมไม่งอนแงน่นไม่ครอนแครนมาสู่พระสัทธรรมนี้ดันั้นท่านก็ตั้งขึ้นเป็นปัญหาที่เรียกว่ากเทตุกรรมยตาบุญชาคือตั้งปัญหาขึ้นเพื่อตอบเองกะทานองใกล้ๆกับครูสอนนักเรียนนะคือบางช่วงเรา ถามเพื่อให้นักเรียนตอบบางช่วงเราก็ถามให้นักเรียนเรียนตั้งใจฟังเราก็ตอบบางครั้งเราก็ถามเพื่อเทียบเคียงกับความรู้ความเข้าใจของนักเรียนว่าย อ, อย่างนี้ถูกต้องไหมอย่างนี้ถูกต้องไหมหรืออย่างนี้ผิดตรงไหนเป็นต้น คือคำตอบนั้นได้ตอบไปแล้วโดยครูเองเดี๋ยว่าต้องการทดสอบความเข้าใจของนักเรียนบางครั้งครูอาจจะแกล้งทาให้ตกไปสักข้อความหนึ่งหรือบางครั้งก็อาจจะเกินไปสักข้อความหนึ่งบางครั้งก็อาจจะพอดีคือต้องการให้นักเรียนตัดสินใจ เทียบเทยงกับความรู้ความเข้าใจของเธอในกรณีนั้นๆั้นบนคำถามมันก็มีอยู่หลายแนวแต่แนวนี้เรียกว่ากัตเะตุกรรมัมมยตาปุสาคือถามเพื่อจะตอบเองถามว่าท่านทั้งหลายพบคืออะไรเรา เ, เกิดแห่งพบความดับแห่งพบและข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับแห่งพบคืออะไรล่ ตอบว่าทานทั้งหลายพบมีสามคือกามมาพบพบที่สัตว์โลกซึ่งเกิดและดำรงชีวิตอยู่ในสถานที่เหล่านั้นยังมีคู่พูดแง่ยังมีคู่ครองก็ยังเสพกามอยู่ถ้านับเรียงลำดับมันก็มีอยู่ถึงสิบเอ็ด อบบาย4กับมนุษย์เป็นที่5แล้วก็สวรรค์อีก6ชั้นรวมก็เป็น11แต่ถ้าในกรณีที่เรียกว่าสุกติทุกติทุกติมันจะมีเฉพาะอาบายสมนุษย์จะเป็นสุขติระดับหนึ่งก็ อ, อยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกสวรรค์ทั้ง6ชั้น รวมแล้วก็เป็นสวรรค์สวรรค์เจ็ดระดับนะบแล้วก็รูปประพบก็คือที่เกิดที่อยู่ของสัตว์โลกที่ยังมีรูปแต่ไม่มีเพศสัมพันธ์เป็นผลมาจากการบำเพ็ญเพียรทางจิตระดับสมาธิ ระดับฌานแล้วก็โดยฌานหยาบกลางประนีตนั้นจำแนกให้ท่านเกิดในระดับที่แตกต่างกันในพบหยาบกลางประนีตในแต่ละชุดแตกต่างกันตัวนี้มีทั้งหมดในสิ16กว่าเวลแยกมันก็แยกเป็นสุทธาวาสสี่ห้าก็ยังเหลือ เท่าไร ย, ยังเหือสเอเป็นอาส ญ, ญีสัตว์สิบหนึ่งอันนี้เป็นรูปรุนล้วนที่เราเรียกว่าพรมลูกฝักก็จากนั้นไปคือจากหนึ่งถึงถึงสิเนี่ยมันเป็นรูปประพบตามกำลังของรูปไปฌานแบ่งเป็นชุดๆคือฌานหนึ่งก็มีหยาบกลางละเอียด เราก็ตามไม่พบหยาบ ก, กลางละเอียดเป็น ช, ชุดชุดชุดชุดขึ้นไปผ่านสัญยาสตาไปแล้วก็เป็นรูปประรมเป็นรูปประพรมนะฮะรูปประพรมเองก็หยาบ ก, กลางละเอียดก็กลายเป็นรมที่มีความประนีตแตกต่างกันออกไป อายุแตกต่างวันน้าแตกต่างก็แตกต่างกันไปด้วยโดยการจาแนกของกรรมก็คือกำลังของรูปฌานที่ท่านใดบรรลุแล้วก็อรูปภพก็คือภพที่ไม่มีรูปเป็นผลจากการเจริญทะลุไปจนถึงอรูปฌาน เลิกสนใจในสิ่งที่เป็นรูปไปโดยลำดับแรกก็สนใจอากาศเล่งอากาศว่าอนันโตอากาศโศอากาศหาที่สิ้นสุดไม่ได้ดูไปดูมาก็เห็นว่าอากาศหาที่สิ้นสุดไม่ได้จริงๆในสุดก็ไม่สนใจอากาศมาสนใจวิญญาณ ก็เห็นว่าอ น, นันตังวิญญาณังวิญญาณหาที่สิ้นสุดไม่ได้เหมือนกันแล้วก็เพิ่คือถอนความสนใจในวิญญาณก็มาสนใจในสิ่งที่เรียกว่ามีอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากนั้นก็เป็นในวสัญญาณสัญญายตนาชาต คือเห็นว่ามีอยู่ก็ไม่ไม่เชิงไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่แตุ่ปมาเหมือนกับ น, น้ําล้างบาทเมื่อล้างไปแล้วยังไม่ได้เช็ดบาทเราจะถือว่าบาทรยังมีน้ําหรือว่าไม่มีน้ํามันก็พูดได้เดีวยวกันถ้าพูดเรามีน้ําก็ยังเปียกอยู่ถ้าพูดเราไม่มีน้ำํำมันก็น้ําที่ทํำให้บาทเปียกเนี่ยมันดืบไม่ได้ นี่ก็เป็นภพทีนี้ตามปกติด้วยอำนาจของภวะ ต, ตันหาในสัตว์โลกมันก็คลองอยู่ในภพแล้วนำปไปส่การณ์กระทำการใจท่านยินดีในอะไรล่ะยินดีในกุศลหรือยินดีในอกุศลบางพวกนะ่ะยินดีในผลที่เป็นสุขแหละแต่ว่า พฤติกรรมมันเป็นเหตุไปอบายมีการประพฤติผิดทุจริตทางกายวาจาใจนี่แหละเราระดับศี่ห้าก็ได้แต่เราถามคนที่เราเมื่อสี่ห้าว่าคุณต้องการสุขไม่ต้องการความทุกข์หรือไม่ทุกคนจะตอบเหมือนกันคือต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์แด่เธอไปสร้างเหตุให้เกิดทุกข์ ผลไม่ได้สำเร็จโดยความต้องการความต้องการเป็นเจตจํานงเป็นความมุ่งมั่นแต่ต้องมีการขับเคลื่อนโดยการพูดโดยการทำโดยการคิดที่เป็นกุศลผลคือความสุขจึงจะบังเกิดขึ้นเมื่อการทําการพูดการคิดของท่านก็ไปอีกทางหนึ่งแต่ท่านต้องการผลอีกทางหนึ่งใครๆคนต้องการเชียงใหม่แต่บ่ายหน้าไปทางภาคใต้ เดินทางทะลุถึงนาลาธิวาสก็ไม่ถึงหรอกเชียงใหม่ยิ่งไปก็ยิ่งไกลยิ่งไปก็ยิ่งไกลเป็นความสอดคล้องกันระหว่างเหตุกระผลแต่มีคนเป็นอันมากที่ต้องการผลดีแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องการผลดีด้วยกันเท่านั้นแต่ไม่ยอมสร้างเหตุเพื่อให้เกิดผลดี ก็ทำนองคล้ๆกับคนต้องการมีสวนมะม่วงแต่ว่าปลูกมะพร้าวมันก็เกิดมีมะม่วงขึ้นมาไม่ได้ทีนี้ในด้านหนึ่งเนี่ยคือหมายความว่าท่านต้องการมนุษยสมบัติพระเจ้าก็ทรงแสดงเหตุแห่งมนุษยสมบัติเอาไว้ แล้วท่านก็ดําเนินตับตอนนี้ในแง่ของความจริงตามข่าวคร า, าวที่ปรากฏในสังคมในสื่อต่างๆเราก็เห็นอีกความจริงอีกประการหนึ่งเหมือนกันว่ามีคนเป็นนั้นมากที่สร้างเหตุแห่งอบายแต่ว่าปราถนาความเป็นมนุษย์แล้วทั้งที่ตัวสร้างเหตุแห่งอบายนั่นแหละ แต่ยังปรารถนาสถานาภาพการยกย่องการชื่นชมจากคนทั้งหลายว่าตัวเองเป็นคนดีจะทานองคนเมาบอกว่าไม่เมาคนผิดกฎหมายบอกว่าไม่ได้ทำคนลักกโมยบอกว่าไม่ได้ลักคนฆ่าสัตว์บอกว่าไม่ได้ฆ่าคนนี่ก็หมายความว่าสร้างเหตุแล้วปฏิเสธผล เมื่อเขอตายไปเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดมนุษย์เพราะเขาไม่ได้สร้างเหตุเพื่อความเป็นมนุษย์ในมนุษย์เราก็เห็นว่ามีหลายระดับตัวกันแตกต่างกันด้วยรูปร่างแตกต่างกันด้วยสกุลที่เกิดแตกต่างกันด้วยรูปร่างบุคลิกลักษณะแตกต่างกันโดยยุคสมัยแตกต่างกันด้ว ย, ย เจตจำนงความมุ่งมั่นในการคิดในการทำในการพูดในแต่ละขณะเพื่อนำตัวเองไปสู่ผลที่ตัวเองต้องการมันก็มีอยู่จำนวนก็คงจะไม่น้อยเหมือนกั น, นแต่ว่าก็ยังมีคนจำพวกหนึ่งที่ไม่ยอมสร้างเหตุเพื่อไปสู่ภพหลังนันนี่ก็สรุปรวมมาเป็นพวกกรมภพ เป็นผลที่เกิดขึ้นจากความดีก็ได้จากความชั่วก็ได้ทีนี้พอไปถึงสวรรค์ก็แสดงว่าเป็นผลจากความดีทีค่อนข้างลงตัวระดับหนึ่งแต่เราถามสักกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะมันก็คงสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็เข้าถึงสวรรค์ ภูมิจิตภูมิธรรมเราก็อยู่ในระดับสวรรค์ก็คือว่ามีอารมณ์ที่ดีสวรรค์แปลว่าอารมณ์เลิศน่าเกิดจากความคิดดีทดําดีพุดดีแล้วก็ไม่มีจุดบกพร่องอะไรที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของนั้นระดับต่อไปก็เด็นผลของความดีที่สูงขึ้น โดยการบังเกิดในรูปประพรมอรูปประพรมแต่จนถึงพระราษบุคคลในในรูปประพรมห้าชั้นนี่เป็นเรื่องของพระนาคามีแล้วนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพบมันสืบเนื่องมาจากกรรมที่บุคคลได้กระทำเอาไว้สนงคำว่าบเนี้มันก็เรียกสองอย่าง อาจจะเรียกสามอย่างก็ได้แต่ว่าท่านเรียกชื่ออย่างอืง่นเช่นว่าที่ตั้งแห่งวิญญาณมันก็เป็นภพนั่นแหละแล้วก็สัตว์วาาก็เป็นภพนั่นแหละเลข ย, ยงหนึ่งก็คือเป็นพัฒนาการทางจิตหรือความตกต่ำทางจิตที่เป็นเอเส้เกิดในภพซึ่งแตกต่างกัน อันนี้ก็คือข้อที่ทรงเรียกว่าสังขารในปฏิจจสมุปบาทในข้อที่สองเขาเรียกว่าสังขารภบพบกับอุปัฏติภพอุปัฏติภพก็คือภพที่สัตว์ไปบังเกิดแล้วก็ดํารงชีวิตอยู่ทีนี้บังเกิดด้วยอะไรล่ะบังเกิดด้วยถ้าระดับรูปฌานเนี่ยมันก็แสดงว่าไปที่โน้นแล้วไปที่ ผลของรูปประชานจนถึงกระรูปาญก็เรียกว่าอเนจชาภิสังขารก็คือบุญที่มันประนีดขึ้นบาปมีพลังไม่ไม่ไม่มากพอที่จะไปตัดรอนได้ก็ เ, เรียกว่าเป็นคารุ ก, กรรมฝ่ายกุศลกำหนักแต่ว่าฝ่ายกุศลอำนวยผลให้แก่บุคคลในลักษณะค่อนข้างลงตัว คือจิตเป็นยังไงพบภูมิก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ตัวนี้ม น, มนมันบางทีก็เรียกว่าภูมิภูมิก็คือระดับของจิตสภาวะของจิตที่อย่ากลางประนีขึ้นไปแล้วก็พอเลยจากนั้นไปมันก็เป็นพระรยบุคคลหรือพระนาคามี ตอนประสวดบันนี่ก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ระดับามามไจลอภูประสวดบันพระสกอาคาเมียนะยังเป็นสวรรค์อยู่นะครแต่ว่าพระพระนาคามีจะบังเกิดเป็นพรหมพเพราะว่าการเป็นพระนาคามีนั้นศีลสมบูรณ์สมาชิสมบูรณ์แต่ปัญญายังไม่สมบูรณ์แต่มา ท, ที่สมบูรณ์ก็คือเป็นฌาน นี่ก็มีความชัดเจนว่าเหตุมันเป็นอย่างนี้ผลจะต้องเป็นอย่างนี้ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเกิดขึ้นจากการกระทําของคนคนนั้นเองในเรื่องเฉพาะตัวเราไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องราวของคนอื่นเยอะเป็นนันมากโดยเฉพาะยุค ข, ข้อมูลข่าวสารอย่างเงี้ยเราไปยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาราต่างๆมาก แน่นอนบางเรื่องเนี่ยมันเป็นภานรากิจที่จะต้องชี้แจงจะต้องทำความ้าใจเดย๋ยวเมื่อวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมคณะกรรมาการศาสนาศิลปะวะัฒนธรรมตัวประธานของท่านต้นอนนิโมนตมาไปให้อธิบายชี้แจง เรื่องประเด็นทางศาสนาในกรณีที่มีการยกย่องนยกคนตรีก็เป็นสิทธที่เขาจะยกย่องนะฮะแต่เราก็ไปติงในประเด็นที่ว่าทำไมต้องเอาพระนามพระพุทธเจ้าไปยกย่องคนหมายความว่ายกไปเทียบกับพระพุทธเจา้า คืออย่าลืมว่าชื่อกับคนเนี่ยหรือตําแหน่งกับคนเนี่ยมันเป็นการบ่งชี้ถึงกันในโลกเราถ้าพูดถึงเจ้าชายสิทธัตถะคนก็ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่านึกถึงคนอื่นไม่ไดเ้เรียกว่าแม้จะเรียกว่าพระโคดมซึ่งเป็นพระโคดเขาก็ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้า อยนึกถึงคนอื่นไม่ได้หรือนายกรนายขอที่อยู่ใกล้เคียงเราเนี่ยลองสังเกตร่ะนายคนนี้ชื่ออย่างนี้แต่เพื่อให้ชัดเจนเพราะชื่ออาจจะซ้ำกันก็นำสกุลอย่างนี้พอเราสื่อสารไปคนฟังก็เข้าใจว่าหมายถึงคนนี้แหละ แต่ว่าประชากรโลกมันเยอะขึ้นนามตระกูลซ้ำกันก็มีก็ ต, ต้องว่ากันเปนในรายละเอียดแต่สรุปว่าในแวดวงของคนที่รู้จักกันเนี่ยส่วนใหญ่มันก็รู้จักคนชื่อนั้นนามตระกูลนั้นคนเดียวแล้วก็เป็นความถูกต้องเพราะเราพูดตามที่เรารู้มา ดังนั้นในภาวะเนี่ยภววาระจึงในที่นี้เน้นเฉพราะพบอันเป็นที่อยู่ของสัตว์เพราะอะไรเพราะว่าข้ออื่นมันจะอยู่ในสังขารวาระหมายความม่าในกรณีที่มาเป็นสังขารพบเนี่ยก็จะอยู่อธิบายอยู่ในข้อที่เป็นสังขารวาระ คือมมดที่ว่าหรือสังขารตอนนี้ก็เป็นพบแล้วก็มาเป็นอุปท า, านมาเป็นอุปท า, านเราจะเห็นว่าก็ไปเรื่อยแล้วจะเจอวิชาแต่อุปท า, านมันมาจากอะไรไมาจากตัณหาตัณหามาจากอะไรมาจากปัสสาวะัสสาะมาจากอะไรอะ ม, มาจาก อ, า, า, กอายตนา อยายตนาก็มาจากนามรูปนามรูปก็มาจากวิญญาณวิญญาณก็ไปสู่สังขารแล้วพบแล้วก็ไปครบรอบที่อวิชาตามวงจรของปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าไปเริ่มมาจากตอนปลายมาความมาเริ่มมาจากปัจจุบันขณะเนี่ยขณะนี้เราเกิดไหม เป็นชาติวารละเราเกิดมาทีนี้ถามมาทำไมเราเกิดอ่ะเมื่อเราเกิดมาแล้วนี่ยต่อไปจะเป็นยังไง เ, เกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายแต่เราจะเห็นว่าสาวจากหลังเกิดฮสาวพวกมาโน้นมา ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัอุปายาตว่าสาวมาจากตอนปลายแลแล้วก็มาเรื่อยมาอยู่ตรงนี้ก็กลางๆทีนี้พอถึงอุปาทานวาระพระเทราก็แสดงในโครงสร้างเดิมว่าคือภิกษุกราบเรียนถามท่านว่าแต่ท้าวขอรับ ยังมีธรรมะข้ออื่นอีกบ้างไหมพระเทรซาก็บอกไปยังมีอยู่แล้วได้กล่าวว่าด้วยเหที่อารยสาวก ร, รู้ชัดซึ่งอุปาทานเหเกิดแห่งอุปาทานความดับแห่งอุปาทานและข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับแห่งอุปาทานด้วยเพียงเท่านี้แหละอริยสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความ เห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คคอนแคลนมาสู่พระสัจธรรมนี้แต่ตั้งก็ตั้งปัญหาถามอย่างข้อแรกอย่าไม่ใช่ข้อแรกหรอกคือข้อที่ว่าด้วยภาวะวาระตือตั้งโครงสร้างมันมันมาหมือนกันตลอดถามว่า ก็อุปาทานคืออะไรแล้วเอเกิดแห่งอุปาทานความดับแห่งอุปาทานข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับแห่งอุปาทานคืออะไรแล้วประเด็นนี้อย่าลืมว่าคือทุกคืออริยสัจนะหมายความว่าอุปาทานคืออะไรแล้วอุปาทานในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เราไปยึดติด จึงขันห้านี้เนี่ยมันเป็นอุปาทานแล้วก็เหตุเกิดแห่งอุปาทานกนะ็คือตัวกิเลสแล้วความดับแห่งอุปาทานก็คือการดับการนิพพานนะฮะคือบรรลุมรรคผลเป็นประหาแล้วข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งการดับแห่งอุปาทานก็คือเรียมรักมนองค์แปดประการ จานั้นท่านก็จําแนกแสดงว่าอุปาทานนะั้มีอยู่สี่คือเนินกามุปาทานความยึดมั่นถือมั่นด้วยอํานาจของกามคือภายในใจมนุษย์เนี่ยมีกิเลสกามกิเลสประเภทราคะประเภทโลภะประเภทยินดีประเภทคอใจประเภทปรารถนาประเภทต้องการประเภทอยากอะไรก็ตามก็เยอะ กิเลสประเภทคว้าก็มาหาเราอะแต่อย่าลืมว่าในตรงนี้แหละมันมีความยินร้ายอยู่ด้วยหมายความเราต้องการได้สิ่งนั้นถ้าเราได้สิ่งนั้นมันก็เกิดอุปาทานาเรียกว่าการมุปาทานแต่พอไม่ได้เราก็จะเกิดความไม่พอใจพมไม่พอใจมันก็เกิดขึ้นมาจากที่ถุกปาทาน คือความเว่าอย่างนี้ไม่ดีเราไม่ชอบเราไม่ต้องการก็ตกลงว่ากระทบกันทั้งสองข่ายทั้งบตรทั้งลบเจดกามุปาทานตกลงว่าตัววัตถุที่เราไปยึดถือเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือของกามุปาทานแล้วก็ตัวกิเลสกิเลสภายในใจเราที่เรียกว่ากิเลสกาม กิเลสเป็นเหตุทําให้จิตใคร่ปรารถนาพอใจกําหนัดชื่นชมยินดียึดติดหมกมุ่นบุบวายอยู่กับเรื่องแบบนั้นตอนนองก็มีอยู่สองสองประเภทนะฮะตั้งนามอะไตั้งนามกับรูปรูปกับนามอุปาทานนั้นไม่เป็นนามแต่ว่าสิ่งที่จิตไปยึดน่ยมันเป็นรูปจิตรู้สึกันห้าเนี่ยเดีย๋ยวเราจะเห็นว่ารูปมันก็เป็นรูปเวทนาธัญาตั้งขานวิญญาณมันก็เป็นนาม แต่ว่าตัวที่ถูกปรุงเนี่ยมันปรุงมาจากสังขารในคณะอุปท า, านก็เป็นสังขารสังขารฝ่ายอกุศลเะไปปรุงที่ไหนปรุงที่จิตเมื่อปรุงที่จิตแล้วถ้าจิตชอบมันก็เป็นสุขเวทธนาถ้าจิตไม่ชอบมันก็เป็นทุกขเวทธนาและจิตก็จำไว้ไอ้ น, นี้เราชอบอ้ น, นี้เราไม่ชอบ มาหลังไปเจอก็อีกไอความชอบความไม่ชอบมันก็เกิดสัมพันธ์กับสิ่งที่เราสัมผัสจะลงว่าเราก็มีอุปท า, านอยู่อย่างนี้อย่าเยอตัวอย่างกับข้าวอาหารที่คนรับประทานอาหารประจําทิศน่ะอาหารประจำทิศ น, นะาา น, นี่ชัดมากอย่างคนอินเดียเนี่ยเขากินได้กินดีเนะดานที่ทําด้วยกับถั่วเหลือง ก็แผละต้มถั่วแผละแต่เ็าต้องกินก่อนแหละแล้วกินกันแพ่หลายกว้างขวางก็ใก่้ๆกับคนภาคกลางจะมีอาหารหลักอยู่ทุกมือก็จะตักอาหารชนิดนั้นเลยก่อนคนภาคอีสานก็มีอาหารหลักคนภาคใต้ก็ก็มีอาหารหลักล้วก็อุปท า, านยินเริ่มน้านอุปท า, าน อร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้ตอนร่นแต่ว่าตอนนี้มันอุปท า, านแล้วคือยึดถือว่าอร่อยไปแล้วแล้วก็สามารถที่จะอธิบายที่ควรจะเพิ่มอะไรควรจะลดอะไรต่างๆได้แต่ตั้งหมดว่าก็เป็นอุปท า, านยึดติดด้วยอำนาจความใคร่ความพอใจจนถึงก็สยบติดในอารมณ์เรานั้น แล้วก็ทิฏฐุปาทานทิฏฐิทิฏฐุในที่นี้ทิฏฐิเนี่ยอุปาทานเรียกว่าทิฏฐุปาทานเป็นความยึดมั่นเดิมหน้าของทิฏฐิคือความเห็นความเห็นมันก็เกิดจากการวินิจฉัยของเราแต่ว่าลักษณะของความเห็นมันเข้มข้นไปเรื่อยๆนะฮะเยอะแยะไปหมดเลย มากมายกายกองเพราะว่าตามปกติแล้วคนเราเวลาสัมผัสอารมณ์มันก็ต้องมีความเห็นต้องมีความเห็นในเรื่องแ่านั้นดังนั้นถ้าหากว่าท่านไปทาอะไรเข้าจิตใจท่านก็จะยึดมั่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่ยอมปล่อยวางอะไร ตันี้เดีกว่าที่ถุกปาฏฐานยึดบ้นเลยทิจิว่าอย่างนี้เท่า น, นั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องความเห็นอย่างนี้ถูกต้องความเห็นอย่างอื่นไม่ถูกต้องนี่ก็เป็นอาการของทิจิโดยจะเห็นว่าทิฐิบางชีนี่ผ่านโลกเป็นสองซีกไดนะ้นั่นก็คืออะไร คือสมัยที่มีคอมมินิส์เกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยมันเป็นการจําแนกระหว่างจิตนิยมกับวัตถุนิยมพวกคอมมินิสต์เป็นวัตถุนิยมพวกประชาธิปไตยก็ค่อนไปทางจิตนิยมแต่ว่าก็มีวัตถุนิยมอยู่ด้วยนั่นแหละเทียงแต่ว่าเป็นการยื้อแย่ง ที่ย้ายแต่เราฝ่ายเนี่ยเห็นตามที่ตัวเห็นแล้วก็ถือว่าสิ่งที่ตัวเห็นนี่ถูกต้องแต่เห็นไม่ตรงกับท่านท่านก็ตัดสินฆ่าคนตายซะเยอะยกกองทัพไปกระทำย่มดีประเทศต่างๆคนบาดเจ็บล้มตายกันไปมากมายกลกองนั่นคือมันเกิดด้วยอุปท า, านแต่ถ้าอุปท า, านเหล่านั้นมันถูกต้องไหม ในที่สุดคนเริ่มใช้เหตุผลสติปัญญาพิสูจน์ทดสอบมากขึ้นอุปทานเหล่านั้นก็หยุดพลังคือไม่ถึงก็หมดหรอกแต่ว่าพลังนั้นถูกทำลายไปเวลานี้ก็มีแต่ระบบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยก็ในานามนะฮะคือโดยทั่วไปก็ยังไม่สมบูรณ์อะไรกันหรอก แต่สรูปว่าความขั ด, ขดแย้งทางทิฐิมันก็ลดลงแต่ว่าความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์เรื่องอำนาจมันก็ยังกระจายอย่างต่อสู้รบราขัาฟันกันอยู่ทุกส่วนของโลกจนอากล่าวได้ว่าโลกนี้ผูกครอบงําด้วยอำนาจของตันหาอุปาทานคืออยากแล้วก็ยึดอยากแล้วก็ยึ ด, อ ย, ยดอยากแล้วก็ยึดไปเรื่อยๆ ไ ม, ะะมไม่พอใจก็ยึดนะฮะพอใจก็ยึดพอใจก็ยึดเดิมนาฏของกาโุปาทานไม่พอใจก็ยึดเริมนาฏที่ถูกปาทานก็ตัดสินใจเอาเองและในสุดก็หลอกตัวเองน ะ, ะว่าจริงตัวเองยึดนั้นคือความถูกต้องดีงามประการต่อไปคือศีลับพัตตุปาทาน การถือมั่นเดิมหน้าศีลและพรดหรือบทกำหนดต่างๆที่เราไปคิดว่ามันเป็นความถูกต้องเช่นการปฏิบัติในอะไรละ่ะขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมจารีบแบบแผนลัดชิตลอดถึงเรื่องศาสนาอย่าง พ, พิธีกรรมในทางศาสนาพุทธเราเนี่ย เอาเฉพาะในกรุงเทพกันดะคือถ้าเราไปฟังสมมติว่าเราไปฟังพระสวดอภิธรรมศขแล้วก็อาจเอาไว้ใบอาจฝั่งคนไว้สักสิบวัดอันฝั่งพระนรครแล้ว็สามสิบวัดอาจฝั่งเอเมืองนนไว้สักสามสิบวัด ส, ส, ส, สักสิบวัดแห่งละสิบวัดสิบบาเนี่ยแล้วเราจะเห็นความแตกต่าง เพราะว่าแต่ละวัดนั้นก็มีอุปท า, านในสายวัดตัวเองครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนก็ท่านมาอย่างนั้ น, นตอนเหล่านี้ก็บวชมาก็เจออย่างนั้นเพราะถ้าก็ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงยึดติดเรืองหน้าอุปท า, านเหล่านั้นบางชีเราไปฟังเราก็มีความรู้สึกว่าไม่เหมาะไม่ควร ที่จะไปประพฤติอย่างนั้นที่จะไปทำอย่างนั้นไดไปพูด ก, ก็ท่าไม่ได้หรอกเพราะท่านเชื่อมั่นของท่านอย่างนั้นนะยังแนวเวลาเนี้ยที่ยิงแนวที่สนใจในการออศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมก็เยอะนะแต่ว่าพวกที่ยังเล่นไสยศาสตร์อยู่อย่างเสียงดังนี้เป็นเรื่องของการปลุกเสก มันก็ยังมีอยู่แพร่หลายอยู่ในส่วนต่างๆของของประเทศไทยเนี่ยตอนดีวัดเดียวกันก็มีครบครอะมีลักษณะของศีัะปะุปปาทานในครบรอบคนละเรื่องกนละดาวกันไปปัหาความสงบไม่เคได้มันจิตมันมั น, ม, นมันต้องเป็นอย่างนั้นน่ะคือข้อคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นน่ะเป็นยังหยุดไม่ได้ แต่เป็นอย่างอื่นก็จะมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้ประการต่อไปคืออัตวาทุ ป, ปาทานยึดมั่นด้วยอำนาจวาทะวะตนตนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้ตนเป็นอย่างน้นแล้วคนอื่นต้องเหยียรยอมรับความเป็นตนของตัวเอง อย่างเนี่เวรนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นเป็นวาทกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ในภาคใต้แล้วก็ทางราชการเขาพยายามประจบประแจงที่จะรักษาเขาเรียกว่าอัตลักษณ์คือลักษณะเฉพาะตนของคนเรานะั้นว่าเขาเคยเป็นมาในดีอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้โลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงไม่รู้ชัางก็เป็นมพราช้าอย่างเงี้ยแล้วใครมาทําลายอัตลักษณ์ ลักษณะาตามที่เราเป็นไม่ได้โดยไม่ไปวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ตัวเองยึดติดว่ามันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเป็นอันตรายขัดขวางต่อพัฒนาการในด้านต่างๆหรือไม่ตั้งแต่ยึดติดกันมาเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรล่ะถ้าไม่ได้ประโยชน์นี่ปล่อยวางซะบ้างได้ไ มันก็เอาไม่ได้สักข้อเนี่ยเป็นอุปทานสี่ข้อแต่ว่าตามปกติจากการสังเกตในพระสูตรพระเจ้าจะแสดงเพียงสามข้อนี้มากาก็คือตัณหามาณทิชิแต่ว่าตรงนั้นเรีย ก, กาหะไมไ่เรียกวุปทานเรียก伽หา์แต่ลักษณะละลักษณะเดียวกัน ลักษณะของจิตยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นๆด้วยความปักใจฝังใจของตัวเองเราจะเห็นว่าตั้หาอยาหะในที่สุดมักละลาเส้นไปล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นสิทธิในทรัพย์สินสิทธิในชีวิตสิทธิในคู่ครองของบุคคลอื่นตัวอย่างเช่นล่วงละเมิดในสิทธิในทรัพย์สินเขาก่อน แล้วเมื่อเขาต่อสู้ขัดขวางก็ไปทำลายชีวิตเขาและเมื่อสิทธิในชีวิตเขายังไม่สาแก่ใจยังไม่สาใจแทนอย่างมากว่าจะไปล่วงเกินพันยาเขาหรือว่าไปฆ่าคู่ครองเขาอาจจะลามปาไม่ถึงลูกถึงหลานนั้นก็แสดงว่าอาการของกิเลสพวกนี้แต่ละข้อเนี่ยมันพร้อมที่จะระเบิด พราะระเบิดเนี่ยมันไม่มีมทิศทางอ่ะเพราะระเบิดมันจะม ม, มีทิศทางอะไรมันจะไปเข้าหมานบุ่นวายไปทั้งหมดนี่ก็คือทีนี้พอมาเป็นตันหาแล้วก็มานะมานะก็แนวโครงสร้างเขาแบบนี้แหละแบบอัตวาทุปาทานเนี่ย ก็มานะว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นซึงในแง่ของความจริงเนี่ยการเป็นมันเป็นสมมติบัญญัติเมื่อสังคมมีกฎมีกฎกติกามีหลักเกณฑ์กาหนดเอาไว้อย่างนั้นกเราจะใช้ประโยชน์ใช้ปัญญาเข้ากำกับเออตอนนี้เราถูกสมมติให้แสดงบทนี้นะก็เป็นให้ได้เป็นให้ดีเป็นให้เป็นแล้วก็เป็นให้จบ มันก็ได้ประโยชน์จากการเป็นแต่ถ้าเป็นแล้วเกิดอาหางการเกิดมามังการขึ้นมันก็จะลา ม, ปามไปติดเชื้ออย่างอื่นอีกเกี่กับตนนี่นะเช่นว่ามานะความถือตัวอติมานะดูหมิ่นคนอื่นโอมานะดูหมิ่นตัวเองตีเสมอคนอื่นไปโดนมากมายยุ่งยุ่งกันวุ่นวายหมด ตอนแต่ละข้อเนี่ยจึงกลายเป็นระบบที่เรียกว่าผลประโยชน์ขัดกันก็บันยายเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยไม่ต้องเอาทุกข้อเรอกข้อเดียวก็ยุ่งตายแหละนายะเห็นว่ากรารมุปาทานก็นําไปสู่การต่อสู้ยือย้อแยงกันในทางผลประโยชน์ทิฏฐุปาทานก็เอาชนะข่าขานกันในด้านก็เสนอแน่ความคิดเห็น หลักการวิธีการที่ขวายตนยึดมัน่นถือมั่นอยู่ศิลปะตุปปาทานก็ไปถือมั่นด้วยอำนาจรูปแบบพิธีกรรมต่างๆที่ตนเองเคยประพฤติปฏิบัติมาแล้วก็อัตวาตุปาทานมันก็แบบทิฏฐิแบบมานะเนี่ย หมายความว่าสิ่งที่ตัวเองกล่าวสิ่งที่ตัวเองเห็นสิ่งที่ตัวเองเชื่อนั้นคือความถูกต้องจากนั้นพระเทราก็กล่าวว่าเพราะตันหาเกิดอุปาทานจึงเกิดเพราะตันหาดับอุปาทานจึงดับบริมัชย์ปงแปดคือมีสมาธิติเป็นตนเนี้ จนถึงสมาสมาธิเดินข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับแผงอุปาทานท่านหลายเมื่อเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดอุปาทานเหตุเกิดแห่งอุปาทานความดับแผงอุปาทานและข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับแผงอุปาทานอย่างนี้เมื่อนั้นเธอละราคาหนุสัย ก็ทั้งสี่ข้อนะฮะราคาโน้สัยปฏิฆานุใสติฐานุใสอัมานานุใสอวิชชาอวิชานุใสัย็สี่ข้อทีนี้เมื่อล่าได้ถึงอวิชชาเนี่ยก็แสดงว่าก็บรรลุมากคนไปหมายความว่าเราเริ่มตรวจสอบที่พบหรือเริ่มตรวจสอบที่อุปท า, าน ก็สามารถที่จะเป็นมัคคานำไปสู่การหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสและอำนาจของความทุกข์ได้นี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะอีกอีกอี ก, อกวาระหนึ่งซึ่งพระเถระได้แสดงตามลำดับของปฏิจจสมุปบาทดังกล่าวต้องฟังทัหลาย เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปรทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพยบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี